เริมพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเงื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธาความเชื่อเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในความจริงของคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในบุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการมีศรัทธามีความเชื่อและได้นํานํา เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนได้รับประโยชน์อันสูงสุดที่มนุษย์จะเพิ่งจะรับได้ก็คือการได้มนุษย์มรรคผลนิพพานขั้นต่างๆอันนี้เกิดจากความเชื่อเชื่อในบุคคลคือพระพุทธเจ้าว่าเป็นจริงเป็นบุคคล ที่ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้จริงไม่ใช่เป็นบุคคลที่จิตตนาการขึ้นมาแต่เป็นบุคคลที่มีเนื้อมีหนังมีจิตมีใจเหมือนกับพวกเรามีความทุกข์มีความสุขเหมือนกับพวกเราแต่มีความรู้มีความฉลาดมากกว่าพวกเรา มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะปฏิบัติตนให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพอได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วก็ได้เอาวิธีที่ได้ทรงปฏิบัติเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อิ่นต่อไปวิธี คำสอนวิธีปฏิบัตินี้ก็เรียกว่าพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนนี้ก็เป็นคำสอนที่เป็นความจริงมีทั้งเหตุจริงทั้งเหตุจริงทั้งผลเหตุก็คือการปฏิบัติกายวาจาใจผลก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ใจ ระดับต่างๆจนถึงระดับสูงสุดเพระาะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอาการิิโกก็คือเป็นคำสอนที่ไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาเป็นคำสอนที่จริงเสมอผู้ที่ปฏิบัติตามได้ไม่ว่าจะ อยู่ในยุคใดสมัยใดก็จะได้ผลเช่นเดียวกันหมดผู้ที่เชื่อและปฏิบัติตามคำสอนในสมัยพระพุทธการและได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาเป็นจำนวนมากก็จะมีผลเช่นเดียวกันกับในสมัยปัจจุบันผู้ใดสามารถปฏิบัติ ตาคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะสามารถบรรลุเป็นพาาระอรหันตสาวกได้เช่นเดียวกันเพราะมีผู้ที่ได้ปฏิบัติและได้บรรลุเป็นพาาระอรหันตสาวกกันแล้วทั้งในอดีตตะการและในปัจจุบันดังนั้นพวกเรา จึงมีความแน่วแน่มั่นใจมั่นคงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ลังเลสงสัยว่าเป็นไปได้หรือที่ตนจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแล้วได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกเพราะว่ามีสักขีพยาน มีบุคคลที่เป็นเหมือนเราที่มีความศรัทธามีความเชื่อมีวิรยิยะความอุตสาหะความพยายามที่จะน้องนำเอาพุธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดเมื่อปฏิบัติแล้วผลก็คือมรรคสีผลสี นิพพานหนึ่งย่อมปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาปฏิเสธผลของผู้ปฏิบัติได้ตราบใดถ้าโลกนี้ยังมีผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ราบนั้นพระอรหันจะไม่อยู่ปราศจากโลกนี้ นี่เป็นคำยืนยันของพระพุทธเจ้าและก็มีผู้ที่ได้น้อมนาเอาคำสอนนี้มาปฏิบัติและมายืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆกันดังนั้นพวกเราจะมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติ ต, ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ จะเป็นการนำพาชีวิตของเราให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ให้อยู่ใกล้กับความสุขให้อยู่ห่างไกลกับความเสื่อมเสียให้ได้อยู่ใกล้กับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านี้เราหมายถึงความเจริญของจิตใจเพราะว่า จิตใจนี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีวันเสื่อมไม่หมดไปการสร้างความเจริญให้กับจิตใจก็จะเป็นความเจริญที่ถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อมวันหมดไปไม่เหมือนกับความเจริญทางร่างกายทางลาบยศสารเสริญเป็นความเจริญที่ ต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปจึงไม่ถือว่าเป็นความเจริญที่แท้จริงไม่ได้เป็นความเจริญที่ถาวรเป็นความเจริญปลอมเจริญแล้วเดี๋ยวก็หายไปหมดลาบยศสรรเสริญที่เราหากันมาได้นี้วันหนึ่งก็จะต้องจากเราไป หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปใครคือผู้ที่จากสิ่งเหล่านี้ไปก็คือใจนี่ใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆสั่งให้ร่างกายหาความเจริญกับลาบยศสรรเสริญกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่พอร่างกายที่เป็นเครื่องมือ หาความเจริญต่างๆให้แก่ใจถึงกับถึงกับวาระคือถึงความตายพอถึงความตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้อีกต่อไปและก็ไม่สามารถที่จะรักษาลาบยศเสริญ รักษาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไว้ได้ไม่สามารถนำเอาติดตัวไปได้จึงถือว่าการเจริญทางราบยรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นความเจริญปลอมเป็นความเจริญที่ไม่แท้จริงเพราะจะต้องสูญหายไปหมด เวลาใจต้องจากโลกนี้ไปก็จะไม่สามารถนำเอาความเจริญทางราบรสสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายไปได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่อันเดียวสิ่งที่จะเอาไปได้ก็คือความเจริญทางจิตใจหรือทางเสือ่อมทางจิตใจถ้า ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะนําเอาแต่ความเจริญของจิตใจไปถ้าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเอาความเสื่อมของจิตใจไปนี่คือประโยชน์ที่พวกเราได้รับจากการที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธ ท้าเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอาารลันตสาวกทั้งหลายเพราะเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามที่ท่านได้ปฏิบัติมาสิ่งที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติก็คือให้ทำบุญสองให้ละบาปสามให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธ์ เพราะนี่จะเป็นการกระทำที่จะเพิ่มความสุขเพิ่มความเจริญให้แก่จิตใจมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันทุกคนมีสิทธิ์มีความสามารถทำได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชาย เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนถ้ามีความศรัทธาแน่วแน่มีความตั้งใจแน่วแน่มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนก็จะสามารถได้รับผลเช่นเดียวกันหมดทุกคนผลนี้เกิดจากเอง เหตุก็คือการกระทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่แต่อยู่ที่การปฏิบัติทางกายวาจาและทางใจด้วยการทําดีด้วยการละบาปด้วยการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ทุกคนทำได้หมดการทำความดีหญิงก็ทำได้ชายก็ทำได้เด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้นั่งบวชก็ทำได้คารวะญาติโยมก็ทำได้ต่างกปนตรงที่ว่าจะทำได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเองที่ทำน้อยก็เพราะว่ามีความเชื่อน้อยมีศรัทธาน้อยมีวิริยะความอุตสาหะน้อย มีความอดทนน้อยจึงทำได้น้อยดังนั้นมันอย่าไปมองที่เพศอย่าไปมองที่วัยอย่าไปมองที่สถานภาพว่าเป็นขาาน่าวว่าหรือเป็นนักบวชขอให้เรามองที่ศรัทธาของเราว่ามีมากมีน้อยมองที่วิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรของเรา ว่ามีมากมีน้อยมองที่ความตั้งใจของเราว่ามีมากมีน้อยมองที่ความอดทนของเราว่ามีมากมีน้อยถ้ามีไม่มากเราก็ต้องสร้างให้มันมากขึ้นมาวิธีสร้างศรัทธาให้มีมากขึ้นก็คือให้เข้าหาพระพุทธพระถทาพระสงฆ์ให้มากขึ้นนั่นเองให้เข้าฟัง ฟังเทศฟังธรรมให้เขาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอารานตสาวก ข, ของพพระพุทธเจ้าให้เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีแบบฉบับที่ดีว่าท่านปฏิบัติตอนอย่างไร พอเราได้ศึกษาประวัติอันดีงามของท่านได้ยินได้ฟังคำสอนของท่านเราก็จะเกิดศรัทธาเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับพอเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะได้มีความตั้งใจที่แน่วแน่มั่นคงมากเพิ่มขึ้นไปเพราะเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเราก็ปฏิบัติได้เหมือนกัน เพราะพพุทธเจ้ากับภาษาวกทั้งหลายท่านก็เป็นมนุษย์เดินดินเหมือนเราเหมือนกันท่านไม่ได้เป็นเทวดาที่หออเหาะเหมือนเดินอากาศหรือเป็นผู้ที่มีอะไรที่แตกต่างจากเรามีเหมือนกันหมดมีอาการ32เหมือนกันดันั้นพอเราเห็นว่าท่านกับเรานี้ไม่มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในการปฏิบัติมันก็จะทำให้เราเกิดความศรัทธาที่จะปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัติมีความตั้งใจที่จะตั้งใจปฏิบัติให้มากขึ้นมีวิริยะอุตสาหะผานภาคเพียนมากขึ้นมีความเข้มแข็งมีความอดทนมากขึ้นอันนี้จะเป็นประโยชน์ ที่เราจะได้รับหากเราได้เข้าอยู่ใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราได้อยู่กับใกล้กับพระที่ได้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเราจะเห็นวิถีชีวิตของท่านเราจะได้เรียนรู้จากท่านและเราก็จะได้มีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติ ให้มากกว่าตต่า ง, งกับเวลาที่เราอยู่คนเดียวหรือไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ใกล้กับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะท่านเป็นเหมือนเรือลากส่วนพวกเรายังเป็นเหมือนเรือพ่วงอยู่ เรือพ่วงก็คือไม่มีเครื่องในเรือของตนเองไม่สามารถขับเคลื่อนเรือของตนไปไหนมาไหนได้เองส่วนเรือเรือที่รากนี้มีเครื่องอยู่แล้วพอเราไปพ่วงติดกับเรือที่รากเราก็สามารถไปกับท่านได้ท่านไปมากผลนิพพานเราก็จะไปกับท่านได้ พอเราได้พ่วงไปกับท่านแล้วต่อไปเราก็จะมีเครื่องติดขึ้นมาในเรือของเราพอเราได้บรรลุนักผลในิพพานต่างๆก็เท่ากับเราได้มีเครื่องติดไว้ในเรือของเราในเบื้องต้นเราจึงต้องไปหาเรือที่มีเครื่องที่เราจะได้ อาศัให้ท่านลากจูงเราไปก่อนถ้าเราอยู่ตามลาพังปฏิบัติตามลาพังก็เหมือนกับเรือที่ไม่มีเครื่องจะไปก็ไปไหนไม่ได้ต้องอาศัยกระแสน้ํากระแสลมพัดพาไปถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกระแสน้ํากระแสลมเรือก็จะไม่ไปถึง จุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปได้หเหมือนกับการปฏิบัติของเราถ้าเราอยู่ตามลำพังเราก็จะปฏิบัติตามบุญตามกรรมตามอารมณ์ตามยถากรรมวันไหนขยันอยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติวันไหนไม่อยากปฏิบัติก็จะไม่ปฏิบัติแต่ถ้าเราอยู่กับผู้ที่มี ความรู้ความสามารถท่านจะปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอพอท่านปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเราอยู่กับท่านเราก็ต้องปฏับักับท่านตามท่านไปเวลาท่านทำความดีเราก็ทำความดีเวลาท่านละการกระทาบาปเราก็ละการกระทบาปเวลาที่ท่านชำระใจให้สะอาดบริสุทธ เราก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ตามท่านกระทำตามท่านทุกอย่างพอได้ทำตามท่านเราก็จะได้รับผลที่เกิดจากการกระทาของเราแต่ถ้าเราไม่มีผู้คอยนำพาเราปฏิบัติเราก็จะโยเยโลเลจิตใจของเราก็จะส่ไปสายมา บางทีก็อยากปฏิบัติบางทีก็ไม่อยากจะปฏิบัติผลก็เลยไม่ต่อเนื่องผลก็เลยไม่ได้อย่างที่เราควรจะได้กันนี่คือการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นภายในใจสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นภายในใจเราต้องเข้าหาผู้รู้ผู้ที่เก่งกว่าเราผู้ที่ฉลาดกว่าเรา อย่าหาคนที่เขาโง่กว่าเราไม่เก่งเท่าเราเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่จะลากเราไปแต่ทางของเขาเช่นถ้าเราไปคบกับคนที่ไม่ทำบุญไม่ละบาปไม่ชำระใจให้สะอาดเขาก็จะดึงเราไปในทางของเขาแทนที่จะทำบุญเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวไปเล่น ไปเสพอบายามุขต่างๆเช่นไปดื่มสุราไปเล่นการพนันไปเที่ยวกลางคืนหรือไม่ฉะนั้นก็ไปหาความสุขทางโลกไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขทางตาหูจมูกล่ากายที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรกับจิตใจแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทำให้เรา ชวนให้เราไปทำบาปเวลาที่เราไม่สามารถหารากยศสารเสริญหาความสุขทางตางหนูจมูกลิ้นกายโดยวิธีสุดเจริตได้เขาก็จะชวนให้เราไปทำบาปได้เช่นชวนให้เราไปลักทรัพย์ชวนให้เราไปโกหกหลอกลวงชวนให้เราไปประพฤติผิดประเวณีเพื่อที่จะได้ ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าถ้าเราไม่สามารถหาคนที่ฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราหรือหาคนที่ฉลาดหรือเก่งเท่าเราเป็นเพื่อนได้ก็สู้อยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปคบกับคนที่เขาเร็วกว่าเราแย่กว่าเราโง่วงกว่าเรา เพราะเขาจะดึงให้เราไปในทางของเขานั่นเองดังนั้นการคบพ้าสมาคมบุคคลจึงเป็นเรื่องสำคัญพระพทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเลยว่าการไม่คบคนพานอาเซวนาจะบาลานังการคบบัณฑิตมัณฑิตา น, นจะเซวนาเอตัมมังกลมุตตะมัง เป็นมงคลอย่างยิ่งการไม่คบคนโง่คนพาลก็คือคนโง่คนเลวร้ายคนชั่วบัณฑิตก็คือคนดีคนใจบุญสุนทานคนฝ่รู้ฝ่ศึกษาฝ่ดีเรียกว่าบัณฑิตถ้าได้ถ้าไม่ได้คบกับคนชั่วก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งถ้าได้คบกับบัณฑิต ก็เป็นมงคลอย่างหนไม่คบกับคนชั่วคนโง่คนเลว <c oughs> ก็จะได้ปลอดภัยจากอิกทธิพลของเขาจะได้ไม่ถูกเขาฉุดลากให้เราไปทำชั่วกับเขา <c oughs> การไม่ได้ทำความชั่ว <c oughs> ก็ถือว่าเป็นมงคลแล้ว <c oughs> เพราะว่าจะไม่ดึงให้จิตใจของเราตกต่า <c oughs> ไม่ดึงชีวิตของเราให้ไปสู่ความทุกข์สู่ความวุ่นวายตาย วันวุ่นวายใจต่างๆนี่เรียกว่าเป็นมงคลอย่างหนึ่งแล้วคือการไม่คบคนโง่คบคนพานแล้วการที่ได้คบบัณฑิตคบคนดีคบคนที่จะรู้ที่ฉลาดก็จะเป็นมงคลอีกอย่างหนึ่งเพราะเมื่อได้คบกับคนดีเขาก็จะเดินเราไปในทางที่ดีเขามีความรู้ความฉลาดอะไร เขาก็จะแบ่งปันมาให้กับเราพอเราไม่มีเราก็จะได้สิ่งที่เราขาดไปพอเราได้สิ่งที่ดีเราก็จะดีขึ้นชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างการมาวัดนี้ก็ถือว่าการมาหาบัณฑิตนั่นเองเพราะวันนี้เป็นที่ตั้งของบัณฑิตสามประการก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ ได้รับประโยชน์จากการคิดดีผู้ ด, ดีทำดีเพราะท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วท่านมีแต่ความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับพวกเราที่ยังต้องรับกับความทุกข์ชนิดต่างๆอยู่เรื่อยๆแล้วยังไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร แต่ถ้าเราได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเราก็จะได้รับประโยชน์รับอิทธิพลของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนตามที่ท่านได้ปฏิบัติมาพอเราได้ปฏิบัติแนละ้วเราก็จะได้รับผลตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัด มาเพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อให้มีมากขึ้นเพราะถ้าเรามีความศรัทธาแล้วเราก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราก็จะมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวของเราให้ดีกว่าเดิมให้มากกว่าเดิมลดการกระทําที่ไม่ดีให้น้อยลงไป ให้หมดไปแล้วก็พยายามลดความโลภความโกรธความหลงที่ทำให้จิตใจไม่สะอาดทำให้จิตใจเศร้าหมองทำให้จิตใจมีความทุกข์ให้น้อยลงไปและให้หมดไปพอเราได้ทำดีได้ละบาปได้ชำระใจของเราแล้วผลดีต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมา ภายในใจของเรานี่เองใจของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงจะมีความวุ่นวายใจน้อยลงเพราะว่าเรามีความหลงน้อยลงพอมีความหลงน้อยลงก็จะมีความโลภน้อยลงพอมีความโลภน้อยลงก็จะมีความโกรดน้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดนี่คือ ประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการมีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวในโลกนี้เท่านั้นที่จะให้ประโยชน์สุขกับเราได้อย่างแท้จริงการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในเรื่องต่างๆในโลกนี้นั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจของเรามีแต่จะฉุดากจิตใจของเรา ให้เข้าสู่กองทุกข์ให้มีมากขึ้นมาภายในใจของเราถ้าเรายังมีศรัทธาในการหาลาภยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็เท่ากับเป็นการดึงใจของเราให้เดินเข้าหากองไฟหากองทุกข์นั่นเองไม่ได้เข้าไปหา ของที่จะทำให้ใจเรามีความล่มเย็นเป็นสุขเลยจะมีแต่ความทุกข์มากขึ้นมีความวุ่นวายใจมากขึ้นมีความเสีย อ, อกเสียใจมากขึ้นไปตามลาดับดังนั้นขอให้เราพยายามซอนใจอยู่เรื่อยอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่คนทั้งหลายในโลกนี้หลงกันขอให้เรา เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานทศสาวกเดินกันจะดีกว่าเพราะเป็นทางที่จะนำให้เราได้ออกจากกองทุกข์ออกจากกองไฟที่ทแท้จริงการเดินเข้าหาราบยศสรรเสริญถ้าดูแบบคนโง่ก็จะคิดว่าเป็นการเดินเข้าหาความสุขคิดว่ามีเงินมากๆแล้วจะมีความสุข มีตำแหน่งสูงสูงแล้วจะมีความถูกมีคนยกย่องสรรเสริญเยิอนยอมีลูกเสียงกินลดโผฏฐัพพะให้เศษให้บริโภคอย่างเต็มที่ก็อาจจะคิดว่าเป็นความสุขแต่ไม่คิดถึงเวลาที่เขาเสื่อมไปหรือหมดไปเวลานั้นยังจะสุขได้เหมือนกับเวลาที่ได้เศษหรือไม่ รับรองได้ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ตกนรกทั้งเป็นดังนั้นขอให้เราอย่าหลงไปกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่จะมาหลอกให้เราต้องไปตกนรกทั้งเป็นกันเลยขอให้เราพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆของลาบยศสรรเสริญนิดิไว้เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไป ติดกับกับความสุขเล็กๆน้อยๆแต่ความทุกข์อันใหญ่โตที่จะตามมาต่อไปนี่คือเรื่องของการมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะดึงให้เราได้ออกจากกองทุกข์ออกจากกองเพลิงขอให้เราพยายามปฏิบัติตามอยู่เรื่อยๆอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายอย่าถอยอย่าหยุดแล้วรับรองได้ว่า สักวันหนึ่งในเวลาอันใกล้นี้เราก็จะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอาหารหันตสาวกอย่างแน่นอนเพราะมีผู้ได้ปฏิบัติและได้เป็นกันมาแล้วนั่นเองเราก็จะได้เช่นเดียวกันถ้าเราปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อเข้ามาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสร้างศรัทธา ให้เรามีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ท่านได้นำมาไปพินิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความดุดพ้นจากความทุกข์และความสุขที่ถาวรที่จะได้ตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุนระษีรัตนัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันวนันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันน้ำสุขภาละโดยทั่วหน้ากรนเธอ